พระตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคานิกายศิลลขันธวรตพระสูตรที่หกูตะทันตสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อกูตะทันตะเรื่องพราหมณ์และขหาพดีชาวบ้านขานุมัดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมชาวมคธชื่อขานุมัดประทับอยู่ในส่วนอัมพราธิกา ใกลหมู่บ้านขานุมัดสมัยนั้นพราม์กูตระทันตะปกครองหมู่บ้านขานุมัดเป็นพระราชทรัทธ์ที่พระเจ้าพิมพิสารจรธรับมคตพระราชทานปูนบําเหน็จให้ในเวลานั้นพราหม์กูตระทันตะกําลังเตรียมพิธีบูชามาหาญาณโคเพศผู้ลูกโคเพศผู้ลูกโคเพศเมียแพะและแกะอย่างละเจ็ดร้อยตัว ถูกนำเข้าไปผูกที่หลักเพื่อฆ่าบูชายันพรามและขาหาบดีชาวบ้านขานุมัตได้ฟังกิตติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จออกพนวดสาเร็จเป็นพระอรหันตรัสรูร้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงพรามและขาหาบดีชาวบ้านขานุมัตจึงออกเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพารติกา ขณะนั้นพราหมณ์กูตะทันตะพักผ่อนกลางวันอยู่ณปราสาทชั้นบนมองเห็นพราหมณ์และก้าบดีชาวบ้านเดินรวมกันจึงเรียกอมาดมาถามจึงทราบว่าคนเหล่านั้นพากันไปเฝ้าท่านพระโคดมลำดับนั้นพราหมณ์กูตะทันตะคิดว่าเราได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงทราบยัญญสมบัติสมประการมีองค์ประกอบสิหส่วนเราไม่รู้เลยแต่ปราธานาจะบูชามาหายัหา์ ทางที่ดีเราควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลถามยัญญสมบัติสมประการซึ่งมีองค์ประกอบ16พราหม์กูตะทันตะจึงเรียกอามาตย์ไปบอกพราหมณและก็หาบดีชาวบ้านขานุมัดให้จงรอก่อนพราหม์กูตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยเวลานั้นพราหมณ์หลายร้อยคนพักอยู่ในหมู่บ้านขานุมัด เราตั้งใจจะ บ, บริโภคมหายันของพราหมณ์กูตะทันตะพอได้ฟังว่าพราหมณ์กูตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระส ม, มณะโคดมด้วยจึงพากันไปหาพราหม์กูตะทันตะแล้วห้ามไม่ให้ไปเข้าเฝ้าพระส ม, มณะโคดมพราหมณ์กูตะทันตะจึงได้กล่าวถึงพระพุทธคุณหลายประการอันมากมายเนื้อความเหมือนเช่นเดียวกับในโซนาทันทัสูตรและกล่าวต่อว่าพระส ม, มณะโคดมเสด็จมาถึงหมู่บ้านขานุมัต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 เมื่อพรามกูตะทันตะกล่าวอย่างนี้พรามเหล่านั้นได้กล่าวว่าท่านกูตะทันตะกล่าวยกย่องพระสมณะโคโดมถึงเพียงนี้ถึงหาท่านพระโคโดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลาจากที่นี่ตั้งหนึ่งรยโยชน์ก็สมควรอยู่ที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้าแม้จะต้องขนสเสบียงไปก็ควรพรามกูตะทันตากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดจกไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคโดมด้วยกัน เรื่องยันของพระเจ้ามหาวิจิตราชต่อมาพรามกูตาทันตพร้อมด้วยคณะรามหมูใหญ่พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่สวนอัมพารัติกาพรามกูตาทันตะนั่งลงกราบทูนว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมทรงทราบยัญญสมบัติสามประการซึ่งมีองค์ประกอบสหส่วนข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่ปรารถนาจะบูชามหายันขอประธานว่าโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงยัญยสมบัติสามประการซึ่งมีองค์ประกอบ16หแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะแสดงพรามพุทธทันตะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว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 เราพึงบูชามาหาญาณที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเท้าเธอจึงรับสั่งให้เรียกพรามอุโรหิตมารับสั่งว่าขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายันที่จะ อ, อำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเมื่อเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้พรามปุโรหิตปราบทูลว่าบ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนน้ามีการเบียดเบียน โจรย่างปล้นบ้านปล้นนิคมปล้นเมืองหลวงดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบ้านเมืองอยังมีเส้นน้ำพระองค์จะโปรดให้ฟื้นฟูผลีกรรมขึ้นก็จะชื่อว่าทรงกระทำสิ่งที่ไม่สมควรพระองค์มีพระราชดำริอย่างนี้ว่าเรจาจะปราบปรามเส้นน้ำคือโจรด้วยการประหารจองจำปรับไหมตำหนิโทษหรือเนรเทศอย่างนี้ไม่ใช่การกำจัดเส้นน้ำคือโจรที่ถูกต้อง เพราะว่าโจรที่เหลือจากที่กำจัดไปแล้วจะมาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ในภายหลังได้แต่การกำจัดเสี้ยนนามคือโจรที่ถูกต้องต้องอาศัยวิธีการต่อไปนี้คือ 1. ขอให้พระองค์พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารให้แก่พ ล, ลเมืองผู้ขมักขเม้นในกเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 2.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 ต่อมาเท้าเธอรับสั่งให้พรามปุโรหิตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญรองได้กำจัดเส้น้นามคือโจรจนหมดสิ้นด้วยวิธีการของท่านและได้มีกองราชซัพ์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเส้น้นามไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านเราปรารถนาจะบูชามาหายันขอท่านผู้เจริญ โปรดแนะนําวิธีบูชายันที่จะอํานวยปความสะดวกแก่เราตลอดกาลนานพระพุโรหิต จ, จึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองให้เชิญอํามาต ร, ราชบริพานให้เชิญพราหมหาศาลและโปรดรับสั่งให้เชิญก้าหบดีกู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า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 พระเจ้ามหาวิจิตาราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8ดอย่างคือ 1. ทรงมีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชน น, นีถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติระกูล 2. สทรงมีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีวันกุดผ่องยิ่งนักดุจพรมมีพระวรกายดุจพรม โอ ก, กาสที่จะได้พบเห็นยากนักสทรงเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง 4. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบด้วยกองทัพสี่เหลา่าอยู่ในระเบียบวินยัยคอยรับพระบัญชามีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลานข่าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศห ทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกคือผู้ที่ไม่ใช่มีเพียงศรัทธาอย่างเดียวแต่เป็นผู้ที่สามารถบริจาคได้ด้วยทรงเป็นทา น, นบดีคือผู้เป็นนายแห่งทานไม่ใช่เป็นทาตหรือเป็นสหายของทานกล่าวคือตนเองใช้สอยตามมีตามเกิดแต่บริจาคของดีของประนีตให้แก่คนอื่นมีได้ทรงปิดประตูข้อนี้หมายถึงไม่ทรงตรณี แต่ยินดีต้อนรับคนอนาถาตลอดเวลาทรงเป็นดุจโปรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันนิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนืองเนืองหกทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มากเจ็ดทรงทราบความหมายแห่งภาษิตที่ได้ทรงศึกษานั้นว่า นี่คือจุดมุ่งหมายแห่งพาสิทธิ์นี้นี้ 8. ทรงเป็นบัณฑิตมีพระปรีชาสามารถดำริเรื่องราวในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้พระเจ้ามหาวิชิตาราส่งประกอบด้วยคุณลักษณะ8ดอย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้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 รามปูโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะสี่อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้ยันยพิธีสามประการลำดับนั้นรามปูโรหิตแสดงยันยพิธีสามประการถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราดก่อนจะทรงบูชายัญว่าหนึ่งเมื่อพระองค์ปรารถนาจะทรงบูชามหายัญก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยว่า กองโคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจากสิ้นเปลือง 2. เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหายันอยู่ก็ไม่ควรทําความเดือดร้อนพระทัยว่ากองโคขสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรากําลังสิ้นเปลืองไป 3. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายันแล้วก็ไม่ควรทําความเดือดร้อนพระทัยว่ากองโคขสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรา ได้สิ้นเปลืองไปแล้วพราหมณ์อุโรหิตแสดงยัญญาพิธีสามประการดังกล่าวนี้ถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตาราชก่อนจะทรงบูชายัญพราหม์อุโรหิตกราบทูลถวายคําแนะนำสิบอย่างก่อนจะทรงบูชายันลำดับนั้นพราหมณ์อุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตาราช เพราะผู้รับทานด้วยอาการสิบอย่างก่อนจะสรงบูชายันคือทั้งพวกที่ฆ่าสัตว์ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์พวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้พวกที่ประพฤติผิดในกามทั้งพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งพวกที่กล่าวเท็จคำส่อเสียดคำหยาบ ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเท็จคำส้อเศษคำหยาบทั้งพวกที่เพ่งเลงอยากได้ของเขาทั้งพวกที่ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาทั้งพวกที่มีจิตพยาบาททั้งพวกที่ไม่มีจิตพยาบาททั้งพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกเขาทั้งหมดจะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ค่าสัตว์ พวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้พวกที่ประพฤติผิดในกรรมทั้งพวกที่กล่าวคำเท็จคำส่อเสียดคำหยาบพวกที่เพ่งแ่งอยากได้ของเขาพวกที่มีจิตพยาบาทพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์พวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ พวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคําเท็จคําส่อเสียดคําหยาบพวกที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทําพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด พราามุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทานด้วยอาการสิบอย่างนี้ก่อนจะทรงบูชายันพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายันด้วยอาการส6อย่างต่อมาพระหมุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราพระไทยของพระเจ้ามหาวิจิตราชผู้จะท่งบูชามหาญาณให้อาดหารแกล้กลาหลอบฉโลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างคือเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหาญาณใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัณโดยไม่รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองโดยไม่รับสั่งให้เชิญอมรรชบริพาน โดยไม่รับสั่งให้เชิญพระามาหาสารโดยไม่รับสั่งให้เชิญก้าหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองอมต ร, ราชบริพารพระมาหาสารกหบดีผู้มั่งคั่ง ที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทาพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระชาติกาเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนี ทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหายัน<ตรง>ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์มีพระรูปงดงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส<ตรง>มีพระชวีวันขุดผ่องยิ่งนักหยุดพรมมีพระวรกายหุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนัก เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามาหายัณจะไม่มีใครตำหนิได้เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระพังเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามาหายันจะไม่มีใครกล่าวหาและตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบด้วยกองทัพสี่เหลา่า อยู่ในระเบียบวินัยคอยรับพระบัญชาทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะเผาผลาญข้าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศเมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหายันจะไม่มีใครกล่าวหาและตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นฐานบดีมิได้ทรงปิดประตู ทรงเป็นดุจโลงทานของสมณพราหมณ์คนกัมราคนเดินทางวันนิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่หนึ่งเนืองเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามาหายั a จะไม่มีใครตําหนิพระองค์โดยธรรได้เพราะพระองค์ทรงรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มากเมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามาหายัน n จะไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงทราบความหมายแห่งภาษิต ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี้คือจุดมุ่งหมายแห่งภาสิทธิ์นี้เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามาหายันจะไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมทรงมีพระปรีชาสามารถทรงสามารถที่จะดําริอัทธาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามาหายั a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 ทรงจำมนรู้จบไตรเพศเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามาหายัณจะไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะรามภูรโรหิตของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามาหายัณจะไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรม เพราะปรามุโรหิตของพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยบรรดาปรามผู้รับการบูชาโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทาพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดปรามอุโรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้ยาพรบเอาไปปฏิบัต เราพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตาราชผู้จะส่งบูชามหายันให้อาจหารแกล้วกล้าหลอบฉลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการ16อย่างเหล่านี้แหลในยันนั้นไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุ ก, กรและสัตว์นานาชนิดไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำหลักบูชายันไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น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 สำเร็จลงเพียงเพราะเนยใสน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเท่านั้นต่อมาพวกเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทพวกอมรราชบริพานพวกปรมหาสารพวกกะหา บ, บดีพากันนาทรัพย์จำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาวิจิตราชกราบทูลว่าขอเดชะ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 เริ่มบาเพ็ญทาน Edu. ทางทิศตะวันออกแห่งหลุมยันพวกอ portfolio. มตดราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบาเพ็ญทานทางทิศใต้แห่งหลุมยันพวกกรามหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเราาทิ่มบาเพ็ญทานทางทิศตะวันตกแห่งหลุมยันพวกข้าหาบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทเริ่มบาเพ็ญทานทางทิศเหนือแห่งหลุมยัน แม้ในยันของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นต้นหลอนนั้นก็ไม่ต้องฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์นานาชนิดยันยาพิธีนั้นสำเร็จลงเพียงเพรเาะเนยใสน้ำมันเนยข้นนมเปรี้ยวน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเท่านั้นบุคคลสี่พวกเห็นชอบตามพระราชดำริพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะแดอย่างรามปุโรหิต ประกอบด้วยคุณสมบัติสี่อย่างและยัญญาพิธีอีกสามประการจึงรวมเรียกว่ายัญญสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พวกพราหมณ์ได้ส่งเสียงอืออึืว่าโอยันโอยัญญสมบัติส่วนพราหมณ์กูตตะทันตะนั่งนิ่งทันใดนั้นพวกพราหมณ ได้ถามพราหมณกูตะทันตะว่าเหตุใดท่านกูตะทันตะจึงไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องเล่าพราหม์กูตะทันตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าจะไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโคดมว่าเป็นคำกล่าวถูกต้องก็หาไม่แม้ผู้ไม่ชื่นชมสุภาษิตของพระสมณโคดม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 ทรงเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้เป็นเจ้าของแห่งยันในครั้งโน้นเสียเองหรือพระองค์ทรงเป็นพราม์ปุโรหิตผู้อํานวยการบูชายัญ น, นั้นแน่นอนทูลถามว่าท่านพระโคดมย่อมทรงทราบแจ้งชัดหรือว่าผู้บูชายัญหรือผู้อํานวยการบูชายัญเห็นปานนั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์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 นิตยทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีลนี้เป็นยันต์ซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายัญญาสมบัติสมประการมีองค์ประกอบสิหนี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยให้นิตยธาทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีล ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิชสงมากกว่ายัญญาสมบัติสามประการมีองค์ประกอบสิบหกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรหมพระออรหันหรือท่านที่บรรลุอรหัตมรรมย่อมไม่เข้าไปสู่ยันนั้นเพราะในยันนั้นอย่างปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้างจับขอลากไปบ้างฉะนั้น พระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตธรรมจึงไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นส่วนนิทญาทานที่ทําสืบกันมาถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศียนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตธรรมจึงเข้าไปสู่ยันเช่นนี้ได้เพราะในยันนั้นไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้ยวยท่อนไม้บ้างจากขอล่าไปบ้างฉะนั้นพระอรหันต์หรือท่านที่บรรลุอรหัตธรรม ถึงเข้าไปสู่ยันเช่นนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิยธิทานที่ทําสืบกันมานั้นใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันญาสมบัติสมประการมีองค์ประกอบ16นี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า ตมีพลานิสง์มากกว่ายัญญสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16และกว่านิตยธานที่ทำสืบกันมานี้พระผู้มีพระภาคตรัตอบว่ามีอยู่พราหมยันของบุคคลผู้สร้างวิหารอุทิตป ร, ระสงค์ผู้มาจากทิศทั้งสนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายัญญสมบัติสาประการมีองค์ประกอบ16 และมากกว่านิตยธานที่ทําสืบกันมานี้เขาทูลถามว่าท่านพระโคดมมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้ทุนทรัพย์และมีการตรเตรียมน้อยกว่าและมีพลานิสง์มากกว่ายัญยสมบัติสามประการมีองค์ประกอบสิบหกว่านิตยทานที่ทําสืบกันมาและกว่าวิหารธานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่พรามณ์ ยันของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมิเป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสง์มากกว่ายันยะสมบัตสามประการมีองค์ประกอบ16มากกว่านิตยาทานที่ทําสืบกันมาและมากกว่าวิหารทานนี้เขาทูลถามว่ามียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่มีพลานิสง์มากกว่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าการที่บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสสมทาทานสิกขาบททั้งหลายคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเ ท, ท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท นี้เป็นยัน์ซึ่งใช้ทุนนรัพย์และมีการรเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายัญยาสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16มากกว่านิตยธทานที่ทําสืบกันมามากกว่าวิหารทานและมากกว่าสาระคมนี้หมายเหตุสาระคมคือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะครับรามทูลถามต่อไปว่า ยังมียันอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่มีพลานิสง์มากกว่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหรันตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบสำหรับเนื้อหาส่วนนี้เป็นคุตธคุณเช่นเดียวกับในสามัญญผลสูตรภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่ นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆบรรลุทุติยชาญอยู่บรรลุตติยชาญอยู่บรรลุจตุตตะชาญอยู่นี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆน้อมจิตไปเพื่อญานัทนะนี้เป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์ และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แหละเป็นยันซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่มีพลานิสงมากกว่ายันที่กล่าวมาแล้วก่อนๆราม ไม่มียัญญสมบัติอื่นๆที่จะดียิ่งกว่าหรือประนีกว่ายัญญสมบัตินี้อีกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส จ, จบพรามกูตะทันตะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะและได้ปล่อยโคแพะแกะอย่างละเจ็ดร้อยตัวได้ให้สัตว์เหล่านั้นได้มีชีวิตต่อไปลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีกถาคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ำสามความเศร้าหมองแห่งกามและอ น, นิสง์ในการออกบวชแก่ปราหมค์คูตะทันตะเมื่อทรงทราบว่าพระามณ์คูตะทันตะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามูกลางสิกาเทศนา คือทุกสมุทัยนิโรธมัดธรรมจักษุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมวลทินเกิดขึ้นแก่รามกูตะทันตะบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมวลทินควรรับน้าย้อมได้เป็นอย่างดี ครั้นพราหมกูตะทันตะเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาจบกูตะทันตะสูตร